Fifty languages. e i g h ค y f i v ่ b u i t า n t e s i n k q u e s Preguntas. Pasado. คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว a n b a a คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว a n a s c r i t คุณนอนหลับสบายไหม c o m a d r m i t คุณสอบผ่านได้อย่างไร o m a p r a t l a m คุณหาทางพบได้อย่างไร คุณพูดกับใครมาอ m มกิอาปาร์ลัคุณนัดกับใครมาอ qui ha quedat คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมาอั qui, qui celebra el seu aniversari คุณไปอยู่ที่ไหนมาต คุณเคยอยู่ที่ไหนมา on นาบิสกูตคุณเคยทำงานที่ไหนมาโอ a treballat คุณแนะนำอะไรไปแล้ว q u ี ha ์รักุมานาตคุณทานอะไรมา q u ี ha ์มันจาตคุณได้พบอะไรมา คุณขับรถมาเร็วแค่ไหน a q u i n a v e l o c i t a ha c o n d u ï t คุณใช้เวลาบินนานเท่าไร c u a n d tems a volat. คุณกระโดดได้สูงเท่าไร a q u i n a a l ç a d a asaltat. รุณาไปที่